พวกเราที่มาเกิดกันนี้เป็นเหมือนพวกนักโทษที่ติดคุกติดตารางคุกตารางของพวกเรานี้ก็มีชื่อว่าสังสารวัตรคือวัตถะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุกตารางที่พวกเราอยู่กันนี้ ก็มีแบ่งไว้เป็นสองเขตใหญ่ๆเขตสำหรับนักโทษที่มีความประพฤติดีมีโทษเบาก็เรียกว่าสุขคติเขตที่นักโทษมีโทษหนักก็เรียกว่าทุกขติหรืออบายและในทั้งสองเขตนี้ก็มีการแบ่งเป็น แดนแดนเช่นในเขตของสุคติก็มีแดนของมนุษย์แดนของเทวดาแดนของพรหมส่วนในเขตของทุกขติหรืออบายก็แบ่งไว้เป็นแดนแดนเช่นเดียวกันคือแดนของเดลฉานเดนของเปรต เดนของอสุรกายและเดนของสัตว์นรกครุกตารางนี้ก็มีกำแพงอยู่สี่รอบด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งเรียกว่าตายนี่คือกำแพงที่ร้อมรอบคุกตาราง ของพวกเราทั้งหลายนอกจากกำแพงแล้วก็ยังมีผู้คุมคอยควบคุมไม่ให้เราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้ไปผู้คุมนี้ก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่ากามตัญหากลุ่มที่สองเรียกว่าภวะตัญหา กลุ่มที่สามเรียกว่าวิภวะตัณหาคือความอยากในรูปเสียงเกินดนสดรือความอยากในการมคุณทั้งห้ความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือผู้ที่จะคอยควบคุมบังคับไม่ให้พวกเราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางอันนี้ไป ผู้ที่มีความสามารถที่จะกาจัดผู้คุมเหล่านี้ได้กาจัดการมาตัญหาความอยากในกามได้กาจัดภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นได้กาจัดวิภวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ผู้นั้นก็สามารถ เล็ดลอดออกจากคุกตารางอันนี้ไปได้ผู้ที่เล็ดลอดออกจากคุกพ้นโทษไปได้ก็มีอยู่สองพวกคือพระอาหารหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้ากับพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็พวกพระอาหารหันตสาวกนี่คือผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตาราง แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวกเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นโทษของคุกตารางอันนี้ได้ถ้าเรามาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกถ้าเราพบกับพ ร, พระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอาหารหันตสาวก หรือพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคุกตารางอันนี้ไปได้ถ้าพวกเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะสามารถหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้ดังนั้นอยู่ที่โอกาสของพวกเราว่าจะได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่และเมื่อได้พบแล้วจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและมีความสามารถก็จะสามารถหลุดออกจากพบชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ชาตินี้พวกเราก็ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสง์สาวกเราก็จะไม่รู้วิธีของการที่จะพ้นโทษจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ หรือบางทีเราอาจจะไม่รู้เสียไปโดยซ้ำว่าพวกเราเป็นนักโทษกันพวกเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพวกที่มีอิสระภาพสามารถทำอะไรต่างๆได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีที่จะทำให้พวกเราพ้นโทษกัน หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้กันว่าเราเป็นพวกนักโทษกันเราจะมารู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ว่าพวกเรานี้เป็นนักโทษกัน เป็นนักโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในแดนต่างๆขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราถ้าเราประพฤติดีเราก็จะได้ไปอยู่ในแดนที่สบายแต่ก็ยังเป็นคุกตารางอยู่ยังไม่บุดพน้นยังต้องใช้กรรมอยู่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ ถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็จะอยู่ในแดนที่ไม่ดีแดนของเดรัจฉานแดนของเปรตแดนของอสุรกายแดนของสัตว์นรกดังนั้นสิ่งที่แรกที่พวกเราควรจะรู้กันก็คือสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราว่าเรากำลังเป็นอะไรกันแน่ เป็นผู้มีอิสระภาพไม่มีโทษหรือเป็นนักโทษกันถ้าเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกเราก็จะรู้ว่าเรานี้ยังเป็นนักโทษกันอยู่เพราะเรายังต้องติดคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ เรายังไม่หลุดพ้นออกจากการเกิดแก่เจ็บตายกันชาตินี้เรามาเกิดแล้วเราก็มาติดอยู่กับความแก่ติดอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยติดอยู่กับความตายแล้วพอเราตายไปแล้วเราก็ไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกตรงนี้เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามองเห็นผู้ที่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายได้เพราะเราแค์เห็นเพียงแต่ร่างกายของพวกเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเห็นว่าร่างกายนี้เมื่อตายแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมฝอยไป ก็เลยคิดว่าตายแล้วก็จบไม่มีการไปเกิดใหม่ไม่มีการไปย้ายแดนที่อยู่อาศัยใหม่ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตาสาวกหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงธรรมก็คือความจริง ความจริงก็คือใจของพวกเรานี้ไม่ตายไปกับร่างกายและพวกเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราอยู่ที่ใจเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆทําแล้วผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เป็นผู้รับผลของการกระทำํำถ้าทําสิ่งที่ดี ทเรียกว่าบุญกุศลทําแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสบายมีความสุขถ้าทําบาปทำอกุศลใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์ขึ้นมาความร้อนนีความทุกข์นี้เป็นคุณสมบัติของแดดของอบายภูมิส่วนความเย็น ความสบายความสุขนี้เป็นคุณสมบัติของสวรรค์นี่คือสัจธรรมความจริงที่ผู้มีดวงตาเห็นรมอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเห็นกันท่านจึงสามารถที่จะปฏิบัติ นำพาจิตใจของท่านให้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะท่านรู้ว่าท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเกิดในแดนต่างๆไปเป็นเทศไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์ตรก ไม่ใช่ร่างกายของท่านร่างกายของท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นดินน้หลมไฟไม่สามารถที่จะย้ายภพย้ายชาติได้ไม่สามารถที่จะย้ายจากภพของมนุษย์ไปเป็นภพของเดชะฉานหรือเป็นภพของเทวดาได้ผู้ที่จะย้ายไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ไม่มีรูปไม่มีร่างเราจึงมองไม่เห็นตัวของเราเองเราก็เลยไปเห็นคนรับใช้เราคือร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยคิดว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำกันหรือบาป หรืออกุศลที่เราได้ทํากันเราก็ไม่เห็นว่ามันจะไปเป็นผลที่ตรงไหนเป็นได้ก็ขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นเวลาเราทําบุญทํากุศลเราก็มีความสุขใจกันเวลาเราทําบาปทําอกุศลเราก็มีความทุกข์ใจกันเราก็เห็นผลเพียงเท่านี้แต่เวลานั่งกายตายไป ใครจะไปรับผลบุญผลบาปกันเรามองไม่เห็นใจเพราะเราคิดว่าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ที่ร่างกายถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย เราจะไม่รู้สัจธรรมความจริงอันนี้ว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายว่าเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วหรือผู้ที่จะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือใจดวงนี้เช่นเดียวกันพอเราได้ยินได้ฟังความจริงที่เกี่ยวกับกับตัวเราแล้วมันก็ทำให้เราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำให้เราเห็นโลกในอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่กว้างไกลกว้างยาวที่ไกลที่ไม่มีวันสิ้นสุด คือเราจะเห็นทางของพวกเราว่ามีสองทางทางหนึ่งก็พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและอีกทางหนึ่งก็นําไปสู่ความเป็นอิสระภาพหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและอยู่อย่างมีความเป็นอิสระอิสระภาพไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกัน เราจะเห็นทางเดินของทางสังทองทางนี้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายผู้ได้ค้นพบทางนี้แล้วได้นำามามาสั่งมาสอนพวกเรานั่นเองว่าถ้าอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ขอให้เดินมาทางนี้กันถ้ายังไม่อยากจะออกจากคุกตาราง ก็ให้เดินทางเก่าที่กำลังเดินกันอยู่นี้ทางเก่าที่เราเดินกันอยู่นี้ก็ทางของตันหาความอยากทั้งสามนี่เองคือกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาที่พวกเราสนับสนุนส่งเสริมกันอยู่ตลอดเวลาเวลาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกล้าไปทำตามความอยากทันที เวลาอยากได้อะไรก็ไปทำตามความอยากทันทีเวลาอยากไม่ได้อะไรก็ไปกำจัดมันทันทีโดยที่เราไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้เรากำลังสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ภพชาติของเรานี้มีไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอรหันตสาวกแล้วเรามีศรัทธาความเชื่อว่าเป็นทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเดินไปในทางนี้เราก็จะออกจากคุกจากตารางไปได้ ทางนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ทรงสอนเหมือนกันสอนให้เร า, เาทําทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนากันเพราะนี่คือทางสู่การสู่ความเป็นอิสระภาพจากคุกตาราง แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าอยากจะออกจากคุกตารางนี้ไปก็ต้องเดินไปในทางนี้ทางของทานทางของศีลทางของภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานั่นเองจะเรียกว่าทางของทานศีลสมาธิปัญญาก็ได้ นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนินมาแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินตามมาแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดเลยเพราะผู้ที่จะต้องไปไปผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่เป็นของคุกของของคุกของตารางนี้เองถ้ายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของมันเงินทอง <c oughs> ก็ไม่สามารถออกจากคุกออกจากคุกตารางไปได้ผ <c oughs> ู้ที่จะ <light> ต้องการจะออกจากคุกตารางจึงไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่สามารถเอาภรรยาสามี ไม่สามารถเอาบุตรทีดาญาสนิทมิตรหายแล้วก็ลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆไปได้เพราะของพวกนี้เป็นของคุกของตารางนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายอยู่ก็ยังจะต้องติด อยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าต้องการที่จะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ต้องสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกเลี้นกายไปดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กระทํากันออท่านสละกันหมดท่านทําทานนี่เรียกว่าทานคือการสละ ลาบยศจารเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้รักษาศีลเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปถ้าไม่สละลาบยศจะละเสริญไม่สละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย ก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญปัญญาได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีการบำเพ็ญอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บาเพ็ญกัน ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองผู้ที่ต้องการออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายจึงต้องสละต้องทําทานอย่างเต็มร้อยคือทําสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างสละลาบยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปถ้าพวกเราอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปสำหรับบางท่านถ้าจำเป็นจะต้องมีบ้างก็มีไว้สำหรับ ในการสนับสนุนในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเช่นถ้าเป็นสุภาพสตรีนี้อาจจะบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ก็จะไม่มีใครสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ก็อาจจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ของตนเองไว้สนับสนุนในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้าจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่สนับสนุนก็ต้องมีแต่สำหรับผู้ที่มีผู้อื่นสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่คือผู้ที่ไปบวชเป็นพระภิกษุนี้มีศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาที่จะสนับสนุนไม่ให้ต้องมากังวลกับการหาปัจจัยสี่ ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปทำงานทำการหาเงินเพื่อมาซื้อปัจจัยสีต่ต่างๆเพื่อจะได้มีเวลาในการบำเพ็ญอย่างเต็มที่แต่สำหรับสุภาพสตินี้ก็มีวัดบางวัดที่เขารับสุภาพสตีไปอยู่ไปบำเพ็ญและยินดีที่จะเลี้ยงดู ในเรื่องปัจจัยสี่เพียงแต่ว่าอาจจะมีไม่มากหรือมีน้อยอาจจะต้องหากันแต่ถ้าตั้งใจหากันก็จะเจอจะมีดังนั้นเรื่องเงินทองเข้าของต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ถ้าเราอยากจะไปบำเพ็ญ สีนสมาธิปัญญากันว่ามันจะพลุงพลังแล้วมันจะถ่วงการเจริญในการปฏิบัติของเราได้นอกจากเอาไปเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติเท่านั้นก็เอาไปตามความจำเป็นตามเหตุตามผลก็สำคัญก็คือไม่ให้เรามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของ คารวะผู้คองเรือนนั่นเองให้เราใช้ชีวิตแบบผู้ออกบวชไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากการเจริญสีสมาธิปัญญาเป็นหลักนั่นแหละถึงจะทำให้เราพ้นโทษได้พ้นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องบำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหาันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติตอนที่ออกจากพระราชวังนี้ก็มีคนไปส่งขี่ม้าไปส่งพอพ้นเขตราชวังก็เดินต่อไปมาก็ส่งคืนกับพระราชวังมีเสื้อผ้าใส่ติดตัวไปเพียงชุดเดียวไม่มีอะไรติดตัวไป และระหว่างทางก็ยังต้องมีขอทานมาขอเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทรงสวมใส่เพราะยังเป็นเสื้อผ้าของพระราชาโอรสอยู่ขอทานเห็นแล้วชอบอยากจะได้ขอเปลี่ยนพระองค์ก็ส่งยินดีสละราชสล ะ, ะเครื่องทรงของพระองค์ของพระราชาโอรสไปแล้วเอาเสื้อผ้าของขอทานมาใส่แทน นี่แหละคือทานอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการกิดแก่เจ็บตายไม่มีความรักความหวงใน ส, ม, สมบัติเข้าของเงินทองเลยยินดีสละไปหมดเลยเหมือนกับผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้าบวชติดตามพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรไปเสื้อผ้าที่เคยเสวมใส่ก็ เปลี่ยนเป็นผ้าจีวรผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดสมัยก่อนก็ไม่ใช่เป็นผ้าวิเศษวิสุขอะไรเป็นผ้าหอ่อศพเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วพระก็ไปเก็บมาผสมเก็บมาสะสมจนได้จำนวนพอที่จะมาตัดเย็บ มาปะมาติดมาต่อให้เป็นผ้าผืนใหญ่ได้เมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็นำเอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้ก็ออกเป็นสีเหลืองเหลืองเรียกว่าสีกาสาวพัดนี้เองนี่คือเสื้อผ้าของนักบวชในสมัยพระพุทธกาลไม่เหมือนกับ จีวในสมัยนี้ที่เป็นผ้าที่สําเร็จรูปผลิตออกมาจากโรงงานเป็นผ้าใหม่เอี่ยมไม่ใช่เป็นผ้าเก่าไม่ใช่เป็นเศษผ้าเป็นผ้าผืนนำมาตัดมาเย็บมาต่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยเท่านั้นนี่คือทานที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากการ เกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องทำกันต้องไม่มีอะไรติดตัวไปไปตัวเปล่าๆจะได้เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจไม่ต้องมากังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ ศีลก็ถ้าเป็นพระก็สองอยี่สิเจ็ดข้อถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ศีลสิบนะถ้าเป็นแม่ชีลูบาสิกาอุบาสกก็ศีลแปดศีลนะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศีลของผู้ที่เดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องอย่างน้อยต้องศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ยังไม่พอต่อการที่จะ สนับสนุนในการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาเออพราะผู้ที่ผู้ถือศีลห้านี้ยังสามารถที่จะไปทําตามกามตัณหาได้อยู่ทําตามภาวะตัณหาทําตามวิภาวะตัณหาได้อยู่เช่นอยากจะไปเที่ยวก็ยังไปได้อยู่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังทําได้อยู่ อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสอสอเป็นนายกเป็นอะไรก็ยังสามารถไปเป็นได้แต่ผู้ที่ถือศีลแปดนี้จะไม่สามารถทําได้ผู้ที่ถือศีลแปดนี้ไม่ให้ไปทําตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปทําตามความอยากเป็นอยากมีเช่นอยากแต่งตัวสวยๆงามๆ ก็ไม่ให้แต่งให้แต่งกายแบบธรรมดาเรียบง่ายเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองจะได้มีเวลามาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาต่อไปผู้ที่ออกบวชแล้วก็จะมุ่งไปอยู่ในป่าในเขาไม่สนใจกับกิจกรรมทางโลกอีกต่อไป วันหนึ่งเวลาวันเวลานี้มีแต่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวตั้งแต่เติ่นขึ้นมาก็จเจริญสติอย่างสม่ำเสมอคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางลาบยศจลเสิญไม่ให้ไปคิดในทางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้คิดอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธ บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้วใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาบยศจัลเสิริญไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายได้ <Yeah. S 1> เมื่อใจไม่คิดใจก็จะเย็นจะสบายแล้วถ้ามีถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลาเป็นสมาธิใจนี้จะสุข จะมีอูเบกขาจะมีความเป็นกลางคือปราศจากอคติต่างๆเช่นความรักความชังความกลัวความหลงใจที่ไม่มีอคตินี้เป็นใจที่นิ่งที่สงบที่มีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกความสุขจากลาบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนี้ สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี่แหละจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มความพอที่จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้ในสมาธินี้มันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสงบชั่วคราว เพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดจะต้องออกจากสมาธิมาเพราะออกจากสมาธิมาถ้าต้องการจะรักษาความสงบความสุขนี้ไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกาจัดศัตรูที่จะมาทำลายความสงบอันนี้ศัตรูหรือข้าศึกที่จะมาทำลายความสงบ ก, ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คือตันหาทั้งสามอันนี้ก็คือกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาอพอกามะตันหาภาวะตันหาหรือวิภวะตันหาโผล่ขึ้นมาความสงบนี้ก็จะกระเพิ่มขึ้นมา ท, าทันทีเหมือนน้าที่นิ่งพอมีปลาโผล่ขึ้นมาจากน้ํากระโดดขึ้นมา ก็จะทำให้มีคลื่นขึ้นมาทันทีน้าที่สงบก็จะหายไปกลายเป็นน้าที่มีคลื่นไปถ้าอยากจะให้น้ำกลับไปสงบถ้าอยากจะให้ใจกลับไปสงบไปเย็นไปมีความสุขเหมือนเดิมก็ต้องไม่ทำตามความอยากการจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่า สิ่งที่ความอยากต้องการนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามาร ถ, รถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอเราไม่สามาร ถ, รถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้เสมอ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปจากไปเปลี่ยนไปเช่นอยากได้แฟนพ อ, อไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนก็เปลี่ยนไปแฟนที่เคยให้ความสุขกับเราก็มาให้ความทุกข์กับเราเพราะเขาจะไม่ตามใจเราแล้ ว, ลวตอนที่พบกันใหม่ๆยังไม่ได้เป็นแฟนกันนี้เอาอกเอาใจกันอยากจะได้อะไร หามาหมดอยากจะได้ดาวอยากจะได้เดือนนี้บินขึ้นไปดึงมาให้ทันทีแต่พอเป็นของกันแล้วกันแล้วทีนี้ความขี้เกียจก็มาแล้วอยากจะได้อะไรก็ไปหาเอาเองเถิดไม่ไปแล้วพอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เคยได้รับจากเขาก็หายไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจ นอกจากนั้นยังต้องมาทุกกับความรักความหวงความห่วงยังต้องมาทุกกับการพัดพากจากกันความเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจถ้ามีปัญญาจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปทําตามความอยากพอเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็ไม่เอาดีกว่าพอไม่เอาความอยากก็หายไป อันนี้คือปัญญาที่เราต้องใช้หลังจากที่เราได้สมาธิแล้วหลังจากที่เราได้ความสงบได้อุบเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกาจัดตัวที่จะมาทำให้ใจเรากระเพิ่มทำให้ใจเราไม่สงบก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าเราทุกครั้งมีความอยากแล้วเรา หยุดมันได้ด้วยปัญญาต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปกามตัาหาก็หมดไปภาวะตัณหาก็หมดไปวิภาวะตัณหาก็หมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันท่านก็กําจัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง การที่ร่างกายที ías, yani, uh ่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ทุกไปเปล่าเวลาเห็นร่างกายแก่นี่ก็ทุกเห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเห็นร่างกายตายก็ทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากไม่เองทุกเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นด้วยปัญญาว่ากาลังสร้างความทุกข์ให้กับใจ ด้วยความอยากแล้วก็ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็เลยหยุดดีกว่าต้องปล่อยให้ร่างกายแก่ไปเจ็บไปตายไปถ้าปล่อยไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็หายไปใจก็สงบเหมือนเดิมนี่คือขั้นที่หนึ่งของพระโสดาบันสระ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ส่วนขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือพระสะกิรดาคามีพระอนาคามีก็มากำจัดความอยากในกามอารมณ์ความอยากที่จะร่วมหลับนอนความอยากที่จะมีแฟนนีอ้อยากมีสามีอยากมีภรรยาเพื่อจะได้ทากิจกรรมร่วมกัน ถ้าใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้พิจารณาก็คือให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของแฟนดูซิว่านอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันยังมีอะไรหรือเปล่าในร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านชําแหละออกมาให้ดูว่าภายใต้ผิวหนังก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูกนี่ก็โครงกระดูกทั้งร่างตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาถึงกระดูก ที่เท้ามีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี้แล้วมีมีเนื้อเอ็นกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีผังผืดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตนี่อวัยวะที่น่าสวยที่สวยงามทั้งหลายที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าเห็นแล้วก็จะ ก็จะไม่มีความอยากเพราะมันไม่สวยงามอวัยวะต่างๆเหล่านี้มันถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาเบิกมันเปิดตาในขึ้นมาตาในก็จะเห็นตาในก็คือปัญญานี่จะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายของทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเห็นแล้วความอยากที่จะร่วม เสพการร่วมกับร่างกายของผู้อื่นก็จะหายไปสำหรับขั้นที่สองก็หายไปบางครัง้งบางคราวยังไม่หายอย่างตลอดเวลาเพราะปัญญาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาก็ยังไม่สามารถกำจัดการมารมณ์ได้หมดทั้งร้อยเปอร์เซนได้แต่เพียงทำให้เบาบางลงไปขั้นที่สองนี้ก็ทำได้เพียงเท่านี้คือทำให้มันเบาบางลงไป ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองแต่ถ้าสามารถกาจัดการมลลมให้หายไปได้ตลอดเวลาไม่มีการมลลมหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ส่วนขั้นที่สี่ก็ไปตัดความอยากใน สิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความสงบในระดับรู ป, ประฌานหรืออารูปฌานก็ตามความอยากถือเนื้อถือตัวถือตนความอยากให้จิตนี้มีแต่ความสงบไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจิตนี้ยังไม่เป็นจิตที่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายลักอยู่ยังมีทั้งสงบและไม่สงบอยู่ต้องกาจัดความอยาก ให้จิตสงบนี้ไปให้หมดแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตก็จะหายไปหมดด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี่เรียกว่านิพานนี่เองไม่ได้เป็นสถานที่ เป็นจิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้แต่ได้รับการชำระด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดพุชเชื้อของพบชาติก็คือกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาได้ถ้าเป็นคุกตารางก็ กำจัดผู้ควบคุมที่ป้องกันไม่ให้เราได้ออกไปจากคุกตารางผู้ควบคุมผู้ต้องหาผู้ควบคุมนักโทษนี้ก็คือการมัตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เองพอใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธเรียกว่าธรรมอาวุธใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาก็จะสามารถกำจัด ผู้ควบคุมผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้เราได้ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปพอได้ทําลายผู้ควบคุมหมดแล้วเราก็สามารถเดินออกจากคุกตารางไปได้อย่างสบายไม่มีใครมาขวางกั้นอีกต่อไปเราก็จะได้เป็นอิสรภาพไปอย่างตลอดไม่มีวันสิ้นสุด จะไม่มีวันที่จะกลับไปติดคุกติดตารางได้ต่อไปก็กลายเป็นพระอารหันตสาวกไปถ้าเป็นพระพุทธถ้าเราค้นพบอาวุธนี้ได้ด้วยตนเองคนพบทางนี้ได้ด้วยตนเองอย่างพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนพราะหาคนสอนไม่ได้ไม่มีใครรู้ทางนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยต้องหาทางนี้ได้ด้วยพระองค์เองคนที่จะหาทางนี้ได้นี้เป็นคนที่หายากมากเพราะต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆถึงจะสามารถมองเห็นทางของการออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้สำหรับบุคคลทั่วๆไปอย่างพวกเรานี้ไม่มีวันไม่มีความสามารถที่จะเห็นทางนี้ได้ด้วยตนเอง ขนาดมีคนบอกทางแล้วยังไม่ไปกันเลยยังไม่ยอมไปกันเลยรับนับภาษาอะไรกับการที่จะไปหาทางด้วยตนเองไปหาให้เสียเวลาทําไมไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขของคนที่ติดคุกติดตาราดพวกที่ติดคุกติดตารางเขาก็ยังมีความสุขกันเขาก็ยังอนุญาตให้มีทีวีดูกัน เวลามีแข่งขันมวยแข่งขันกีฬาก็ยังดูเชียร์กันได้เวลามีละครมีภาพยนตร์ก็ยังดูกันได้เรื่องอะไรไปปีนไต่กาแพงให้มันเหนื่อยยากไปทําไมปีนไต่ออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปเจออะไรข้างนอกกลัวเดี๋ยวออกไปก็ไปอดอยากอดตายข้างนอกซะก่อนสู้อยู่ในคุกในตารางนี้ไปดีกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษก็อย่างน้อยก็มีกินมีอยู่มีรอป พ, อ พ, อพอคอยควบคุมคอยดูแลรักษาพอพวกนี้ไม่เคย ไ, ได้ออกไปสัมผัสความเป็นอิสระนั่นเองว่าเป็นอย่างไรถ้าลองได้สัมผัสกับความเป็นอิสระแม้เป็นเพียงชั่วคราวคือการทำจิตใจให้สงบได้นี่พาจิตสงบนี้ใจเหมือนกับได้ออกจากคุกไปชั่วคราว จะได้สัมผัสกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากความสุขในคุกในตารางถ้าใครได้สัมผัสกับความสงบแล้วนี่จะอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมดทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปเพื่อที่จะได้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไป นี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นนักโทษกันติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันไม่รู้ว่าเราเป็นนักโทษกันคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีอิสระภาพสามารถทำอะไรต่างๆได้แต่มันก็เป็นอิสระภาพของคนที่อยู่ในคุกในตารางนั่นเองคือสามารถทำตามที่เขาอนุญาตให้ทำได้เขาก็อนุญาตให้ดู ละครได้ดูทีวีได้แต่ถ้า แ, แต่ถ้าจะออกไปนอกกำแพงนี้เขาไม่ให้ออกไปถ้าอยากจะออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เขาไม่ให้ออกไปคนที่อยากจะออกจา ก, กความเกิดคนที่จะออกจากกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ต้องรู้ว่าตนเองกำลังติดอยู่ในกำแพงนี้อย่างพระพุทธเจ้านี่พอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี่ พระองค์เลยรู้แล้วว่ากำลังอยู่ในคุกตารางอยู่ในกองทุกข์กองทุกข์ก็คือคุกตารางอยู่ในคุกที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ไม่ต้องการที่จะทุกข์กับความเกิดไม่ต้องการทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และการที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เกิบตายนี้ได้ก็ต้องทำลายผู้ควบคุมผู้ควบคุมผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้นักโทษหนี อ, ออกจากคุกตารางไปผู้ควบคุมก็คือตันหาทั้งสามนี้การมาตันหาภาวะตันหาและวิภาวตันหาพอได้ถ้าสามารถทำลายผู้คุมได้กาจัดผู้คุมได้ ก็สามารถเดินออกจากคุกตารางนี้ไปได้อย่างไม่มีอะไรมาขัดขวางลสิ่งที่จะมาทำลายผู้ควบคุมคุกตารางนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าก็คือศีลสมาธิปัญญานี้พระองค์งก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็สามารถทำลายผู้ควบคุมผู้ต้องหาได้ พอไม่มีผู้ควบคุมผู้ที่จะคอยป้องกันไม่ให้นักโทษออกจากคุ ก, ออ ก, กออกจากตารางตายออกจากตารางได้แล้วคุกตารางก็เลยเป็นที่เสรีสําหรับบุคคล น, นั้นไปสามารถเดินออกได้ทันทีพวกเราก็สามารถที่จะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสอนให้เราปฏิบัติกันก็คือให้เราทำทานให้เราเจริญสีนสมาธิปัญญากันถ้าเราปฏิบัติแล้วรับลองได้ว่าเราก็จะสามารถเล่นรอดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีศรัทธาและมีความมั่นใจ ว่าทางนี้เป็นทางเอกทางประเสริฐทางที่จะทำให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขนอกคุกนอกตารางดีกว่าความสุขในคุกในตารางที่จะต้องมีความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายมาคอยให้ใจเราวุ่นวายไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่จเจ็บตายได้แล้ว ความทุกข์ต่างๆจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราอีกต่อไปเราจะมีความสุขไปตลอดที่เรียกว่าบร ม, มสุขหรือปรมังสุขขังนี้เองดังนั้นขอให้ท่านท่าน ท, ทั้งหลายพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติตามเถิดแล้ววันหนึ่งท่านก็จะได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้อย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้เลย ในตอนนี้เพราะว่าถ้าเลือกแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาอีกต่อไปถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีก็จะให้เอาให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนครับครับขอกราบกรรทกาณพระอาจารย์ขอเรียนถามปัญหาธรรมครับครับก็ขอถามเรื่องการปฏิบัติครับก็ ก็คือมันตอนที่เคยบวชเมื่อหกปีที่แล้วกับพระอาจารย์โสภาไปครับมันมีอาการทางหลังจากพุทโธไปไม่กี่แั๊บเดียวมันจะขึ้นมาเหมือนมีชีะจรขึ้นมาที่หน้าผากเหมือนตุ๊บตุ๊บตุบเหมือนกับว่ามีชีะจรขึ้นเหมือนมันชัดเจนครับเหมือนกับเหมือนกับอมันตังตึ๊บตุ๊ที่หน้าผากครับแต่ว่าตอนเป็นคาราวามันก็ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าตอนมาบวชรอบที่สองเมื่อเมื่อต้นปีเนี้ยกับกับพระอาจารย์ จันเรียนะครับตอนบวชเป็นพ้าเนี่ยมันภาวนาพุทธโธปรเดียวมันก็ขึ้นมาตึบตบตึ pp, ต pp, แบบชัดเจนมากแล้วว่าบางทีเรายิ่งภาวนาพุทธโธไปมันก็เหมือนมันรวมรวมอยู่ตรงหน้าผากครับก็ชัดเจนมากก็เลยตัดสินใจไปกราบหลวงปู่จันเรียนครับว่าว่าจะพุทธโธหรือว่าจะเอาจิตมาอยู่กับไปที่มันขึ้นตรงหน้าผากนี้ดีอะครับก็อา่าลงไปกราบท่านยังไม่ท่านให้ถามท่านเลยท่านก็รู้หมดทุกอย่างว่าเราทำอะไรอยู่ปฏิบัติอะไรอยู่เนี่ยท่านก็ตอบมาเองว่า จะถามทำไมพุดโพลนั่นแหละหัดปล่อยหัดวางมันบ้างอย่ายึดติดให้มันมากอย่างท่านบุ่เนี้ยแล้วก็ท่านก็เทศอย่างอื่นเกีย่ยวกับการปฏิบัติไปเยอะครับเเหมือนกับท่านรู้หมดอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาถึงใจว่าเราจะไม่ไปยึดติดไอ้ตรงที่มันขึ้นที่หน้าผานอีกแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรครับก็ไม่ไม่สนใจมันก็กลับมาพุดโพลเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับ <S <S ก็วันนั้นก็มาเดิน จงกลมเหรครับเดินจงกลมตอนประมาณสามสี่ทุ่มก็เดินเดินไปแล้วก็อยู่พุทโธก็ดูลำหายใจไปแล้วก็มันก็ขึ้นมาอีกมันก็ตึบ๊บตึ บ, ต, บตึบขึ้นตรงหน้าผาขึ้นมาแบบชัดเจนมากเรายิ่งพุทโธมันยิ่งรวมแน่นรวมแน่นจนแบบแบบว่าร่างกายเราทนไม่ได้ครับสุดท้ายก็มันก็เห็นเป็ น, นมิตเป็นแบบเหมือนดวงแก้วขึ้นมาตรงตรงหน้าผาเลยครับก็เราก็พยายามพุทโธไปพอพุทโธไปเรื่อยๆปุ๊บมันมันแตกครับดวงแก้วมันแตกแตกดังเพ้งเลย แต่แบบได้ยิ่นเสียงด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นนิมิตแตกไปเลยแล้วก็หายไปเลยครับไอ้ที่มนันขึ้นขึ้นที่หน้าผากเนี่ยครับแล้วก็คืนนั้นก็ไปจํำวัดแล้วก็นิมิตออกมาเลยคือเหมือนเหมือนกับเรามาเติมยางรถยนต์ น, นะฮะแล้วก็ยิงเติมยางมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมเรื่อยๆแล้วเขานี้เหมือนจะรีบไปปิดปิดไอ้เพชอร์ที่มันเข้ามาในใ น, ในยางอะจะปิดไม่ทันมันแตกใส่หน้าครับแล้วก็หน้านี่เลือดไหลไม่หมดแล้วก็ฟันฟันกระาหลุดออกมาเลยครับแล้วก็ฟันหน้าหลุดมาหนึ่งซี่สองซี่ แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่มีอีกเลยครับอาการนี้คือที่มันขึ้นที่มันหน้าผาเนี่ยครับแล้วก็ก็เลยหลังจากนั้นก็มาพุทโธเหมือนเดิมคือกลับมาพุทโธเหมือน hills, ท่านที่พายจารย์เรียนท่านท่านท่านแนะนํานนมาครับก็มาภาวนาพุทโธแต่ว่าตอนที่ก่อนขึ้นก่อนปฏิบัติที่มันขึ้นที่หน้าผาเนี่ยอาการปวดเมื่อ ย, อยต่างๆที่น้องสมาธิมันจะไม่มีนะครับคือมันจะไม่มีอาการตรงนี้เกิดขึ้นเลยแต่พอเรามาภาวนาพุทโธเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมหมดคือเรานั่งพุทนั่งไปสักชั่วโมงหนึ่ง อาการปวดเมื่อยรำตัวรำอะไมันขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ในอดีตเข้าเจ็เข้าเข้าคำถามได้ไหมจะถามอะไรครับก็ก็คือพอเราพุทโธไปแล้วเนี่ยพอสุดท้ายอ่ะคือตอนนั้นตั้งใจว่าจะพานาพุทโธแล้วพอพอสุดท้ายมันรวมพอวิจิตมันนิ่งแบบมันนิ่งไปเองเนี่ยมันก็ทิ้งพุทโธไปเหมือนเดิมมันทิ้งพุทโธไปเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนสุดท้ายมันเหมือนมันรวมไปมันก็เข้ามาที่ความเบงหวางคือมันไม่มีอะไรเลย คือมันไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีแบบเมืนเราอยู่ในห้องที่แบบมืดสนิทไม่มีทิศแล้วทำไมทําไมถามนะถามได้ไหมอยากจะถามอะไรเราอยากจะถามว่าสุดท้ายเรากลับมาพุทโธปุ๊บอยู่ดีมันก็ไม่มีพุทโธเหมือนเดิมคือมันคือความเวงวาแล้วก็มีดวงแก้วเหมือนเดิมครับออผมก็ไม่ไม่รู้ว่าสุดท้ายคือพอกลับศึกมาเนี่ยก็คือก็เลยแบบว่าคือสุดท้ายมันก็คือไม่มีพุทโธครับคือมันทิ้งไปเองแล้วก็เป็นห้องที่เวงวางคือตอนนั้นตั้งใจว่าเราจะกลับมาพุทโธ อย่างเดียวบอว่าเราจะไม่ทิ้งมันไปอย่างเงี้ยครับแเราพูดโทเพื่ออะไรนะครับแล้วพูดโทรเพื่ออะไรไม่รู้เลยก็จริงจรก็เพื่อเป็ดสมาธิแล้วก็ความสงบเนี่ยแหละฮะแล้วมันสงบเรือยอยงอะไรแต่ว่าคือผมก็สงสัยว่ามันถูกหรือเปล่าว่าคือคือสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมคือกลับมามีตรงแก้วเหมือนเดิมเหรครับก็มันสงบหรือเปล่ามันสงบคือมันไม่มีทุกอย่างความคิดก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมัน มันอยู่ในอุกก็นั้นก็็ถูกก็ในใเอาอะไรครับแต่ว่าแต่ว่าพอศึกมาเป็นคารวะแล้วเนี่ยมันก็คือไม่เข้าอย่างนั้นไม่ได้อีกเลยครับคือก็ไม่ทามันก็ไม่เข้าอลยรครับทามันมันก็เข้าเลยมันไม่ทำาะไรมาเป็นธารวะมันก็ไปทำงานไปเที่ยวไปทำอะไรกันทำอย่างอื่นมันก็ไม่มาทำสมาธิมันก็ไม่เข้าเลยครับแล้ว คือเขาบอกหลายคนว่าแบบถ้าคนเข้าถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องทิ้งทางโลกเนี่ยแต่ผมก็ยังทิ้งไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะก็ยังไม่ใช่เลยนครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นของปลอมของเทียมเลยครับกลัวกลัวอยู่ครับว่ากลัวของเป็นของปลอมแต่เป็นของจริงมันจะชอบมันจะสุขมากมันจะมาสัจะใจครับอแสดงว่ายังไม่ใช่เป็นของจริงครับถ้าของจริงมันก็จะรู้ว่าเอาไม่มีอะไรจะดีเท่ากับอันนี้แล้วเอ อันนี้ดีที่สุดละในบรรดาความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีต่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มอีกร้อยเท่าก็สู้ความสุขอันนี้ไม่ได้มันต้องรู้ตรงอย่างนั้นมันถึงจะทิ้งงานทิ้งการได้คือมันมันมีแต่สมาธิแต่มันไม่มีปัญญาป่ะครับไม่ใช่หรอกมันยังไม่ใช่เป็นสมาธิยังเป็นเก้าเป็นเก้าอะไรอยู่นี่มันยังไม่ใช่มันต้องไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับมันต้องตกหลุมตกบ่อวูบลงไปมันคืออาการเหล่านั้นคือหสังยปีมุทโธมันเหมือนกับเราเข้าไป ผ่านไอ้รูเข็มมันเข้าไปอีกห้องนึ่งที่แบบไม่มีอะไรเลยอะครับคือลมหายใจก็ไม่มีความพลิกก็เข้ามาไม่ได้แต่พอพออยู่ตรงนี้นิ่งๆไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายพอพอแอกว่าจิตมันหรือสมาธิเนี่ยมันเหมือนลมหายใจมันเหมือนน้ำตรากเข้ามาในห้องนะฮะคือผมก็ไม่รู้ว่ายังยังไม่ใช่มันทุกอย่างมันต้องไม่มีลมหายจงหายใจมันไม่มีแล้วถ้าตอนถ้ามันถึงความสงบแล้วมันหายไปหมดนะครับก็เลยบอก ตอนนี้ก็คือกลับมาก็ไม่ได้พุทโธก็คือมาดูลมหายใจอย่างเดียวีครับก็คือไม่ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันต้องมีพุทโธหรือเปล่าีครับก็ได้ทั้งสองอย่างพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอาครับอันนี้เป็นวิธีของการทำใจให้สงบแต่แต่หลังจากที่ปฏิบัติมามันก็ทำให้แบบการทำงานมันก็ดีขึ้นก็คือเราก็จะถามจะพูดจะคิดอะไรมันก็ก็ก็ก็จะ ก็จะมีสติก่อนนะครับคือจะไม่ไม่พูดไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็มันมีสติมากขึ้นไงแต่มันไม่สงบสติยังไม่พอที่จะทําใจให้สงบครับมันยังไม่มีความสุขใจอิ่มใจพอใจในตัวของมันเองมันยังอยากจะไปหาความสุขจากภายนอกอยู่ครับยังต้องทําให้มันถึงขีดที่ว่ามันจะไม่อยากหาความสุขจากภายนอกครับมันยังเข้าไปไม่สุดถ้าเป็นถ้ำยังไม่ถึงก้นถ้ำ ต้องต้องฝึกเปยเรื่อยนะอาจารย์เจริญสติไปเรื่อยๆ แ, แล้วนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรที่ที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งถ้าใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้แต่สุดท้ายไอ้พวกดวงแก้ววนั้นก็มันก็ไม่ไม่มีจริงใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีหรอกมันยังเป็นภาพอยู่มันเป็นยังเป็นอาการของจิตอยู่จิตยังไม่สงบเต็มที่ กบครัคบำถามจากทางบ้านจากคุณสายฝนข้อแรกเราสามารถอัญเชิญพระธาตุได้ไหมคะและเราต้องทำตัวอย่างไรคะาก็ลองทำดูสิเราไม่เคยเชิญมาเราไม่รู้เหมือนกันก um> ็เชิญยังไงไปถามคนที่เขาเชิญได้สิมาถามเราทำไม ข้อที่สองดิฉันไม่เข้าใจคำว่าลานันทิหมายความว่าอย่างไรคะกูเกิลดูสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคำถามจากคุณรณชัย เงินที่จ่ายค่าไต้โตเพื่อให้ได้งานมาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้งานแบบนี้เงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แล้วนำมาทำบุญจะได้บุญไหมแล้วลูกหลานที่นำเงินนี้ไปใช้จะยังได้บุญอยู่ไหมเพราะต้นทางไม่บริสุทธิ์ครับอ๋อมันไม่บริสุทธิ์โทษอยู่ที่คนไปหามาเท่านั้นเองถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็ถูกเอาไปทาบุญมันก็ได้บุญ แต่มันไม่ไปลรบลร้างโทษที่ไปทำไปทำมาเท่านั้นเองไปขโมยเงินเข้ามาแล้วเอามาทําบุญนี่ถ้าตํารวจจับเขาก็ยังจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางอยู่เขาไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาทําบุญไม่ผิดกฎหมายจิตก็เหมือนกันเอาขโมยเงินเข้ามาแล้วมาทําบุญมันก็บาปแต่เอามาทําบุญมันก็ได้บุญเอแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องบุญก็เรื่องหนึ่งเรื่องบาปก็เรื่องหนึ่งมันก็จะต้องส่งผลให้ทั้งสองเรื่อง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 นั่งสงบได้หนึ่งชั่วโมงบางวันฟุ้งซ่านนั่งได้ไม่เกิน20นาทีแสดงว่าการฝึกไม่ก้าวหน้าใช่ไหมครับกาบขอแนวทางในการแก้ไขให้เข้าสมาธิได้อย่างมีความสม่ำเสมอและไม่ก้าวหน้าถอยหลังไปไปมามาด้วยครับก็ต้องมันเจริญสติให้มันสม่ำเสมอสติเราถ้าไม่สม่ำเสมอสมาธิมันก็ไม่สม่ำเสมอมันก็ขึ้นขึ้นลงลไปตามกําลังของสติ สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลคำถามจากคุณเกศรินดิฉันใส่บาตรทุกวันพระแต่บางครั้งวันไหนไม่ได้ใส่บาตรมีความรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ไม่สบายใจคืออะไรคะเพราะความอยากใส่แล้วไม่ได้ใส่นั่นเองความอยากทำบุญแล้วไม่ได้ทำก็กลายเป็นเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแล้วทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากไปเช่นวันนี้อยากใส่บาทแล้วไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ชดเชยพุกนี้ก็ได้ใส่สองเท่ามันก็จะได้เท่ากัน คำถามจากคุณจตุพรทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้สึกว่าจิตใจอ่อนแอลงคะเมื่อก่อนใจจะแข็งมากแต่ตอนนี้รู้สึกสงสารเขาไปทั่วบางคนเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ยังไปสงสารเขาอีกคะ่ะความสงสารไม่ได้เป็นความอ่อนแอของจิตใจเป็นความอ่อนโยนความอ่อนโยนกับความอ่อนแอไม่เหมือนกันคนที่มีความ แข็งแก่งแต่ไม่มีความอ่อนโยนนี่ก็ก็เป็นคนที่ไม่มีความสงสารใครเป็นคนโหดร้ายทารุณใจอันนั้นก็แข็งแก่งได้แข่งกัน แ, แบบนั้นไม่ดีต้องแข็งแก่งในการทำความดีแล้วก็มีความอ่อนโยนต่อผู้ที่เขาอาภัพผู้ที่ด้อยกว่าเรา คำ ถ, ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการปฏิบัติเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เราทําเหมาะกับกําลังของเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกิเลส เพราะบางครั้งเวลานั่งนานๆผ่านเวทนาไม่ได้สักทีใจก็จะบอกตัวเองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกสติไปก่อนสติยังไม่แข็งแรงแต่อีกใจก็แอบสงสัยว่ากิเลสหลอกเราไม่ให้สู้กับเวทนาหรือเปล่าเราควรสู้ไม่ถอยใช่ไหมคะถ้าสู้ไม่ถอยได้ก็ดีเลยถ้าสู้แล้วมันถอยก็ช่วยไม่ได้ก็แสดงว่าแรงไม่พอ เมื่อแรงไม่พอก็ต้องไปสร้างแรงให้ขึ้นมาก็คือแรงของสติก็ดูที่สติว่าวันวันหนึ่งแล้วเราสร้างสติกันหรือเปล่าหรือปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆถ้าจะสร้างสติก็ต้องมีพุทโธยึ ด, ย, ดยึดเหนี่ยวไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถอยู่กับพุทโธได้เวลาเจ็บ เวลานั่งแล้วเจ็บเราก็อยู่กับพุโทโธไปแล้วความเจ็บก็จะก็จะผ่านไปได้จะผ่านความเจ็บไปได้ด้วยอนุภาพของสตินี่หมดแล้วครับคำถามแรกจากทาง u t u b e นะครับจากคุณโทนี่โรมิโอนะครับ mm hmm. My question is what can I do to remove my anger in the moment of me being angry Use b u t t o As soon as you know you're angry, keep reciting Butoh, t b u t t o Don't let your mind think about the things that make you a n g r r angry. If you cannot, you, if you cannot, you can, you should remove yourself from the the the person or the situation that makes you angry. Like go to the toilet and then sit down and keep reciting Butoh, t b u t t o Until you forget about what made you angry, then your anger, your, your anger will disappear. Don't think about what makes you angry, because it will make you more angry. You should forget about it. With n o w a y to forget it, quickly is to recite buto t buto t buto. t Keep reciting buto t buto. t Eventually you will forget what made you angry. And then, when you forget, your anger will disappear. But this is a temporary measure. Anytime you meet some situation or person, it can arise again. If they say or do something that makes you dislike, you can become angry again. If you want to get rid of your anger permanently, you have to get rid of the cause of your anger, and the cause of your anger is that. Uh, arise from your desire to get things the way you want them to be, and when things don't go according to what you want them to be, you become angry. So you must not have any desire for things to be like this or like that. Just try to take things as they are, as they come. If you can take them as they are, as they come, then you will not be angry. คำถามจากผู้ฟังทางด้านล่างนะครับเป็นคนสมาธิสั้นต้องทําอย่างไรครับก็ฝึกสติให้มากๆวันวันึงอย่าคิดเลื่อยเปื่อยอย่าคิดเพ้อเจ้ออย่าคิดเพ้อฝันอยาคิดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาพุทโธพุทโธดีกว่าพุทโธมีสติมากต่อไปสมาธิก็จะยาวที่มันสั้นก็เพราะว่าจิตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ อะไรมากระทบปั๊บก็ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบทันทีงั้นพยายามดึงใจไว้ด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปใจจะนิง่งใจจะสงบใจจะมีสมาธิขึ้นมาคำถามจากคุณชนาพานะครับการดูจิตเกิดดับตามความเป็นจริงเป็นการละตันหาใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกตัญหามไม่ใช่การเกิดดับของจิตตัญหาก็คือความอยากให้จิตไม่เกิดไม่ดับมากกว่าอยากให้จิตเป็นอย่างนี้เช่นเวลาจิตอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปอันนี้คือตัญหาแล้วความอยากให้อารมณ์ไม่ดีหายไปยิ่งอยากมันก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่แทนที่จะดีกับเสียใหญ่แต่ถ้ามีสติมีปัญญาก็ให้ดู อารมณ์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เวลามันเกิดเราจะบอกให้มันดับมันไม่ดับไปอยากให้มันไม่ดับไปอยากให้มันดับยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งยิ่งอารมณ์เสียใหญ่วิธีก็คือให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆอย่าไปอยากมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันดับก็รู้ว่ามันดับมันจะดีหรือไม่ดีก็รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีตามความเป็นจริงถ้าใจเราไม่มีความอยาก แล้วมันจะไม่ทำให้เราอารมณ์เสียมันมีสองอารมณ์ซ้อนกันอยู่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีมาทำให้เราอารมณ์เสียได้ถ้าเราอยากให้มันอารมณ์ดีหรือถ้าอารมณ์ดีแล้วอยากจะให้มันดีไปเรื่อยๆพอมันไม่ดีก็อารมณ์เสียขึ้นมาอีกนั้นที่อารมณ์เสียก็เพราะความอยากอยากให้มันอารมณ์ดีอยากให้มันไม่อารมณ์เสียนั้นเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์มันเป็นของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือน ความรู้สึกความสุขความทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้อากาศเย็นนะสบายเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาเราสั่งมันได้ไหรือเปล่าว่าวันนี้ต้องร้อนวันนี้ต้องเย็นไม่ได้แต่นในอารมณ์ของเรามันก็อย่างนั้นมันก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี ก็รู้ไปตามความจริงถ้ารู้ด้วยปัญญาก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ถ้ารู้เฉยๆไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อารมณ์เสียก็จะไม่เกิดอารมณ์เสียก็คือทุกข์นี่ะเรียกว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียหรือความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราอันนี้ต่างหากที่เราต้องการแก้ไม่ใช่ไปแก้อารมณ์อารมณ์มันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปแก้ไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ แต่เราอยู่กับมันได้ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนฝนจะตกเราก็อยู่ได้แดดจะออกเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรามีความอยากเราก็จะอยู่กับมันไม่ได้เพราะเราจะทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นดันนการดูจิตหรือการดูอะไรให้ดูเฉยๆให้ดูว่าเขาไม่เที่ยงเขาเกิดแล้วดับรับ เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้บังคับได้ก็คือใจของเราอย่าไปให้เสียอย่าไปให้มีความเสียใจไปกับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วความเสียใจจะไม่มีคําถามจากคุณสหภูมินะครับ การใช้กรรมฐานสมาธิแบบมรณานุสติต้องทําอย่างไรเจ้าคะช่วยอธิบายหรือว่าให้จิตสงบก่อนหรือเปล่าเจ้าคะถึงใช้กรรมฐานวิธีดีได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถส่วนใหญ่ก็ต้องจิตสงบก่อนมันถึงจะดูความตายได้โดยปกติถ้าจิตไม่สงบกิเลสมันยังไม่สงบกิเลมันจะไม่ชอบความตาย พอเราคิดถึงความตายมันจะทำให้เราหดหูใจขึ้นมาท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกําลังจิตกําลังใจได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังพิจารณาความตายไม่ได้ต้องรอให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วกิเลสมันจะอ่อนกําลังลงเวลาเราพิจารณาความตายมันจะไม่สร้างอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายหดหูเกิดขึ้นก็ต้องดูว่า กำลังของจิตเรามีมากมีน้อยบางคนเขามี ส, สมาธิมาได้แต่ดั้งเดิมพอเขาเห็นความตายแทนที่เขาจะโหดทูเขากับเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยเป็นปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รับมันได้ปล่อยมันได้ แต่ถ้ายังมีเกิเอตมันจะมีอุปทานความยึดติดอยู่กับร่างกายอย่างรุนแรงพอมาบอกว่าร่างกายจะยต้องตายนี้มันจะรับไม่ได้มันจะเครียดขึ้นมาทันทีมันจะหดหู่มันจะเศร้าขึ้นมาทันทีถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาความตายให้ไปทาใจให้สงบก่อนฝึกสมาธิไปก่อน คำถามเพิ่มเติมจากผู้ฟังธรรมด้านล่างนะครับผมคิดช้าเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากช้าเลยมันคิดช้าก็ช้าสิช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่เราเวลาเราเดินช้าเดินเร็วมันเกิดจากอะไรเหรอเวลาเดินเร็วเราก็เดินเร็วเวลาเดินช้าเราก็เดินช้ามันอยู่ที่เราเราจะคิดช้าคิดเร็วก็คิดได้ถ้ามันคิดช้าให้มันคิดเร็วก็ได้หัดท่องพุทโธให้มันเดินเร็วสิต่อไปมันก็จะคิดเร็วได้เอง เหมือนเดินถ้ามันเดินช้าก็หัดวิง่งเลยหัดวิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เดินเร็วได้มันไม่เป็นประเด็นสำคัญคิดชา้าแล้วคิดเร็วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงคิดช้าคิดเร็วปัญหาอยู่ที่โลภโกรธหลงอยู่ที่ความอยากคิดช้าก็มีโลภโกรธหลงได้คิดเร็วก็มีโลภโกรธหลงได้ยันอย่าไปแก้ที่คิดช้าหรือคิดเร็วไปแก้ที่ความโลภโกรธหลงที่ตามมากับความคิดก็แล้วกัน ถ้าคิดแล้วโลภ ก, ก, ก, ก, ก็หยุดความคิดดีกว่าถ้าคิดแล้วโกรธก็หยุดความคิดดีกว่าอย่างที่เมื่อกี้โทนี่ถามว่าคิดแล้วโกรธก็อย่าไปคิดดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าคำถามจะคุณสมชายนะครับจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายก็จิตที่อยู่ภายใต้อานาจของสติปัญญานั่นเองอสามารถที่จะ ควบคุมจิตไม่ให้โลบไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้ไม่ให้อยากในสิ่งต่างๆได้ถ้าควบคุมได้ก็เป็นจิตที่อบรมได้ดีเหมือนกับสุนัขที่เราสั่งให้เขานั่งเขาก็นั่งให้เขาเดินเขาก็เดินให้เขายืนเขาก็ยืนให้เขากินก็กินให้เขานอนเขาก็นอนเนี่ยถ้าทุกอย่างถ้าจิตอยู่ภายใต้โอวายของเรามันก็จะนาความสุขมาให้เพราะเราจะสามารถป้องกันไม่ให้จิตไปทาในสิ่งที่ทาให้เกิดความทุกข์กับเรานั่นเอง ความทุกข์เกิดจากการที่จิตเกิดความโลภเกิดความเกิดเกิดความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราสอนให้จิตเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงเลิอกอยากได้จิตก็จะเป็นจิตที่ได้อบรมแล้วถูกได้รับการอบรมดีแล้วเมื่อไม่จิตที่ไม่มีความโลภโกรธหล ง, ลหลงไม่มีความอยากก็จะมีมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนั่นคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของป้าหลานตาสาวกทั้งหลาย จิตของท่านปราศจากความโลภโกรธหลงปราศจากความอยากต่างๆแล้วเพราะท่านได้ฝึกฝนอบรมจิตได้เียบได้ได้ดีแล้วอบรมจิตได้ดีแล้วนั่นเองจิตอยู่ในโอวาทของสติปัญญาแล้ว คำถามชกคุณทวิชานะครับเวลาหนูฟังธรรมพระอาจารย์อย่างตั้งใจน้ำตาหนูจะไหลออกมารู้สึกเศร้ามากเมื่อได้รู้ความจริงอันประเสริฐนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะแต่หนูก็ยังไม่สามารถรวมจิตให้เป็นสมาธิได้นานๆความเศร้านี้มันก็เป็นควา ม, วามเศร้าที่เป็นเรียกว่าความซาบซึ้งใจที่ได้สัมผัสรับรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตก็ สิ่งที่เราควรจะทำต่อก็ศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตของเราสงบถ้าจิตเราทำจิตให้เราสงบได้แล้วต่อไปความเศร้าความอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปคำถามจากคุณขวัญ น, นะครับการทานอาหารมากเกินไปคือการขาดสติใช่ไหมคะบางทีทานมากเกินไปเพราะชอบอาหารชนิดนั้นถ้าเราคิดว่าเป็นขี้ ก็ยังไม่ช่วยอะไรมากคะ่ะกินจนอ้วนแล้วถ้าอยากผอมก็คือโมอหะอยากสวยอีกหรือเปล่าคะถ้ามันยังดื้อก็เวลาถ่ายอัจจะก็เอาสสา่จานเก็บไว้เวลากินก็ก็มาตั้งบนโต๊ะ <c oughs> มันจะได้เห็นชัดๆถ้าคิดแล้วมันยังอาจจะไม่เห็นถ้ามันดื้อก็ต้องเอาต้องเอาบทบาทที่รุนแรงกับมันดูด้วยมันยังจะกล้ากินหรือเปล่า เพียงแต่คิดยังไม่พอต้องเห็นกับตาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น <laughs> คำถามจากคุณนารยานะครับหากจิตรวมแล้วอย่าไปสนใจใช่ไหมคะให้พุทโธต่อไป อ, อ๋อไม่หร้วถ้าจิตรวมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจิตสงบแล้วทุกอย่างก็จบเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินต่อตอนนั้นก็ เพิดกับความอิ่มไปสุขกับความอิ่มไปมันจะรู้เองพอถึงจุดนั้นแล้วมันไม่พุโทโธให้เหนื่อยแล้วมันอิ่มแล้วมันพอแล้วมันสุขแล้วเหมันกินข้าวพออิ่มแล้วอยากกินลงไหมตักข้าวเขา้เขาไปกินคำจะไหวไนหะกินไม่ลงแล้วมันเต็มที่แล้วคาถามจากคุณโพภพัฒนะครับ กระผมนั่งเจริญภาวนาพุทโธแล้วพอทํากิจเสร็จแล้วแล้วถ้าไม่ได้อุทิศให้โยมพ่อโยมแม่ท่านก็ยังจะได้รับใช่ไหมครับอาจารย์ อ, อ๋อไม่ได้หรอบุญบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้มันยังไม่มียังไม่สงบจิตยังไม่รวมยังไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นบุญที่มันสูงกว่าผู้ที่จะรับรับได้มันเป็นบุญเฉพาะตนนะ บุญที่เขาต้องการก็คือบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานใส่บกใส่บาดอะไรทำนองนี้บุญนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วพอเราทําปุ๊บเราก็ได้ทันทีเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับแล้วได้ส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เหมือนกับเพิ่งปลูกต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลต้นไม้ยังไม่โตเลยยังไม่มีผลแล้วเราจะเอาอะไรไปอุทิศ ตอนที่เรานั่งสมาธินี่เหมือนกับกํบกาลังปลูกต้นไม้กันจะออกดอกออกผลก็ต่อเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเอคําถามจากคุณอดิเลกนะครับศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าคนเราขาดศีลจะสามารถสร้างสมาธิทิได้หรือไม่ยากไงมันเป็นขั้นบันไดถ้ายังขึ้นขั้นที่หนึ่งไม่ได้จะขึ้นขั้นที่สองได้อย่างไร ถ้าขึ้นขั้นที่สองไม่ได้จะขึ้นขั้นที่สามได้ยังไงก็เหมือนกับเรียนหนังสือถ้ายังไม่ผ่านชั้นประถมจะขึ้นชั้นมัธยมได้ยังไงถ้าไม่ผ่านชั้นมัธยมจะผ่านจะขึ้นขั้นอุดมศึกษาได้ยังไงมันเป็นขั้นความสามารถมันความยากง่ายของการปฏิบัติการทําทานนี่มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษามันง่ายกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันง่ายกว่าการเจริญปัญญา และมันก็ต้องอาศัยกันและกันศีลก็ต้องอาศัยการทําทานถึงจะรักษาได้คนที่ไม่ทําทานนี้จะโลภมากจะหวงมากจะทําบาปได้ง่ายกว่าคนที่ทําทานคนทําทานนี้จะไม่โลภมากไม่หวงมากแล้วก็จะมีความเมตตาไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็จะรักษาศีลได้คนที่รักษาศีลได้ก็จะมีใจที่สงบกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีล เวลาทำสมาธิก็จะง่ายกว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินั่มันจะสนับสนุนกันไปอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสมาธิที่มีศีลอบรมแล้วจะมีอานิสงส์มากจะมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิได้อบรมแล้วจะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากส่วนจิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว มันเป็นสิ่งที่มันสนับสนุนกันงนั้นอย่าไปคิดว่าไปเจริญปัญญาได้เลยโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะมันจะไม่เป็นปัญญามันเป็นความคิดเฉยๆอย่างตอนนี้พวกเราก็มีความคิดเรารู้แล้วกิเลสตัณหานนี้เป็นตัวที่เลวร้ายแต่พอมันโผล่ขึ้นมาฆ่ามันได้เปล่ามีแต่จะรับใช้มันใชมากกว่าบอกแปเากาแฟมาด้ย ไปแล้วแล้วก็หนมมมาสิไปแล้วแปะ เ, เล่ามาสิไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นตัวร้ายกาศแต่พอเจอมันเข้ามันสั่งปุ๊บนี่แทนที่จะไม่ไปไม่ไปไม่เอาทำไม่ได้พอสั่งควับครับผมเลยไปเลยเนี่ยไม่เรียกว่าปัญญาพเนียความรู้แบบนี้ไม่เรียกว่าปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องหยุดความอยากได้ เคยสั่งให้กาแฟมันไม่กินแล้วเลิกกินกาแฟโยนทิ้งไม่หมดแล้วกินไปทำไมกินให้เหนื่อยเปล่ากินแล้วต้องกินอยู่เรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเออเนี่คือปัญญาต้องเป็นอย่างนี้ต้องหยุดความอยากได้ถึงเรียกว่าปัญญาถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็เป็นความรู้เฉยๆที่ยังไม่มีประโยชน์อะไรคาถามจากคุณฮอดีซ่านะครับ ถ้าเราตั้งคันแล้วมีความเสียงว่าลูกเราจะผิดปกติแต่ผลก็ยังไม่ชัดเจนเราจะมีวิธีดับทุกข์ในใจเราก็คิดไปก่อนยังไงดีคะก็คิดว่าเป็นกรรมของลูกไปเป็นกรรมของเราไปเป็นพะเราไปไปไ ป, ไ ป, ไปเป็นลูกน้องของตันหาความอยากอยากมีแฟนอยากนอนกับแฟนพอนอนกับแฟนมันก็มีลูกลูกมันก็ไม่รู้จะดีหรือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมของลูกลูกที่มันมาเกิดในท้องเรามันมีกรรมเก่ามามันก็เลยทำให้ร่างกายของมันพิกลพิการได้หรือมันเป็นเรื่องของกรรมพันก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมีก็คิดซะก่อนที่ก่อนจะไปนอนกับแฟนก่อนที่อยากจะมีแฟนทําไ ม, ไม่คิดกันว่าเวลามีลูกแล้วเกิดเป็นลูกคนลูกพิการขึ้นมาจะทำยังไง ไม่คิดกันเวลาจะเอากันนอยากจะอยู่ด้วยกันนี่มองแต่สุขอย่างเดียวไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาเนี่ยพอมันเกิดแล้วค่อยมาคิดมันก็สายไปเสียแล้วแล้วดีไม่ดีอาจจะไปทําบาปก็ต้องระวังี่ถ้าไปเอาไปทาแทงออกมาก็เป็นก็เป็นโทษขึ้นใหม่เดี๋ยวก็มีทุกข์ตามใหมา่เดี๋ยวตายไปเราไปเกิดในท้องไขเขาก็แทงเราอยู่เลแล้วก็ไม่มีวันเกิดกับเขาสักที ไปทําก็แทงต่อไปเราก็ต้องถูกเขาทําเราแทงบ้างนั้นจะทําบาปเนี่ยคิดให้ดีก่อนจะทํำในตามความอยากนี่คิดให้รอบครอบก่อนพระเจ้าสอนแล้วว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกันแต่ไม่ฟังพระพุทธเจ้ากันพอมันสั่งป๊อก็วิ่งตามมันเลยรับใช้มันทันทีคําถามจากคุณบูมนะครับเราปฏิบัติ เพื่อเอาปัญญามาดูแลตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมครับเอาปัญญามาฆ่ากิเลสของเราก่อนเราไม่ต้องไปดูแลคนอื่นคนอื่นเขาดูแลเขาได้เราดูแลตัวเราก่อนกำจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่แต่เราให้ไปหมดก่อนหมดแล้วถ้าคนอื่นอยากจะให้เราไปช่วยเหลือเขาเราค่อยไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่มาขอร้องก็อย่าไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสือก ชีวิตเขามีความสุขอยู่แล้วไปบอกให้เขาเลิกกับแฟนนี้เดี๋ยวเขาก็จะด่าเราคำถามจากคุณชุตมล น, นะครับเมื่อหนูเห็นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วโดนคนทำร้ายมักจะคิดมากกว่าพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไรสงสารพวกเขามากจะมีวิธีวางใจอย่างไรคะที่ไม่ให้คิดมากก็มาเลี้ยงสิ ถ้าเราสงสารก็กราบมาเลี้ยงถ้ า, ามาเลี้ยงไม่ได้ก็ถือก็คิดว่าเป็นกรรมของของสัตว์ไปอืคําถามจากคุณวีระชัยนะครับทําบุญอย่างไรที่จะอุทิศให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ครับทําทานเงี้ยใส่บาตรหรือเอาเงินไปบริจาคให้กับใครก็ได้อก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเนี่แหละคือบุญที่เราจะอุทิศไปเป็นเหมือนอาหาร พราะมันเป็นความอิ่มใจผู้ที่รับบุญส่วนนี้ไปเขาก็จะอิ่มใจพวกที่เขาไม่มีบุญเวลาตายไปเขาก็จะหิวพอเราแบ่งบุญที่เราได้รับจากการทําทานไปเขาก็จะได้รับความสุกกันนี้ไปจําเป็นไหมครับพรอาจารย์ที่ต้องทํากับพระเท่านั้นนะคะรับพอาจารย์ก็มันเกิดขึ้นได้กับพระก็ได้ทํากับโยมก็ได้ปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาก็ได้ มันก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันไม่จำเป็นบุญนี้มันไม่ได้อยู่ที่พระเอวเฮงอย่างเดียวทากับพ่อกับแม่ก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นพระอาหารหันต์ของลูกอยู่แล้วที่ให้ทํากับพระเพราะว่าพระต้องอาศัยญาติโยมเลี้ยงดูทากับคนอื่นเขาเลี้ยงดูของเขาได้เขามีอาชีพเขาทามาหากินได้ ก็เลยไปทำบุญกับพระได้ประโยชน์สองเด้งได้เลี้ยงพระแล้วก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าไปทำกับคนที่เขาเลี้ยงตัวเขาเองได้อย่างนี้เราก็ได้เด้งเดียวคือได้ความสุขใจจากการที่เราไปให้เงินเขาแต่เงินนั้นเขาอาจจะไม่เอาไปใช้อะไรก็ได้เพราะเขาไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเงินของเราที่เราให้เขาไปคําถามจ้าคุณพินนะครับโยมมีแฟนที่ชอบ โกรธมากเวลาเขาโกรธเขาจะเงียบไปเป็นเดือนเลยช่วงนั้นโยมก็ทุกข์ใจมากจะทําอย่างไรดีคะก็ดีแต่เขาเงียบจะได้สบายไม่น่าจะเดือดร้อนเลยเถ้าเขาไม่เงียบเลยน่ากลัวกว่าถ้าเขาโกรธแล้วเขาทุบตีเราเขาด่าเรา่างนี้ก็น่ากลัวกว่าถ้าเขาโการธแล้วเขาไม่เขาเงียบไปก็ดีให้เงียบไปเรื่อย ไม่ต้องทําอะไรคนจะดีใจว่าเออดีเขาไม่ดา่าเราเขาไม่ว่าเราเขาไม่ทุบตีเราเขาเงียบไปก็ดีแสดงว่าเขาพยายามจะข่มใจเขาพยายามจะต่อสู้กับความโกรธของเขาเพราเลยจึงไม่อยากจะพูดอะไรทําอะไรเพราะพูดไปทําไปในขณะที่โกรธมันจะเกิดความเสียหายนั่นเองเขาก็เลยพยายามเงียบเฉยๆไว้ให้ความโกรธมันหายไปก่อนแล้วค่อยมาพูดมาทําอะไรต่อไปอันนี้เป็นเป็น เป็นนิมิต ท, ที่ดีอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทุกข์ใจกับความเงียบของเขาคนจะดีใจว่าได้อยู่กับคนแบบนี้ดีกว่าคนที่โกรธแล้วพานพโลเต้นแรง้งเต้นกะด่าพ่อร่อแม่อย่างเงี้ยน่ากลัวกว่าแต่เขาโกรธแล้วเขานิ่งเขาเงียบนี้ดีแล้วอ ย, อย่าไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่น คำถามจ้าคุณพิมพ์พรนะครับเวลาที่ดิฉันไปวัดตอนจะประเคนอาหารดิฉันจะอาสาบุญร่วมประเคนอาหารให้กับพระสงฆ์ดิฉันจะได้บุญไหมคะได้นิดเดียวก็ช่วยการคล้อยข้าวคล้อยของมันไม่ได้เหมือนกับได้ได้บุญที่เกิดจากการสละเงินทองซื้ออาหารมาถวายมันต่างกันบุญนั้นมันก็บุญนิดเดียวบุญที่ช่วยการทาให้ อการถวายของเป็นไปได้เพราะบางทีคนที่เขาจะถวายเขาอาจจะไม่ว่างเขาต้องไปเขารีบไปเขาก็เลยฝากให้เราช่วยถวายให้อย่างนี้บุญส่วนใหญ่ก็เป็นของคนที่เขาทำนันคนที่เขาซื้อของมาเราก็เพียงแต่ได้เล็กๆน้อย ๆ, ๆเรียวกว่า บ, บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเป็นคนบุญคนละชนิดกันอันนี้สก็จะต่างกันเราจะไม่ได้ทานเราจะไม่ได้อ น, นิสงจากทานของเขาเราจะได้ก็คือ ต่อไปเราเดือดร้อนอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราอันนี้สองมันต่างกันถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะได้มีคนอื่นมาช่วยเหลือเราต่อไปถ้าให้เราให้อะไรใครไปเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งที่เราให้เขาไปกลับมาหาเรางั้นบุญมันคนละชนิดกันได้บุญเหมือนกันแต่คนละอย่างเหมือนไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าซื้ออาหารก็จะได้อาหารมั น, ม น, ม น, ม น, เ, ปนเป็นผลต่างกัน จากที่สังเกตรครับอาจารย์ยังมีคนอีกมากครับที่คิดว่าเวลาคนทําบุญเนี่ยอนุโมทนาบุญร่วมและจะได้ทานในส่วนนั้นด้วยก็ไ ด, ได้เหมือนกันก็ได้เวลาเราเวลาเราทําบุญเขาก็จะอนุโมทนากับเราเก็จะไม่มาว่าโง่งมงายเสียเงินเปล่าๆตัวเขาหลอกหรือเปล่า อ, อะไรทํานองนี้เขาก็บอกเออสาธุสาธุชื่นชมยินดีด้วย อ, อันนี้ทําอะไรก็จะได้แบบนั้นน่ะ ถ้าเราไปอนุโมทนากับเขาต่อไปเขาก็จะมาอนุโมทนากับเราคำถามสุดท้ายนะครับคุณธนวัฒน์นะครับอาณาปานาสติคืออะไรครับอาณาปานแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการจดจ่อรู้อยู่กับลมเข้าลมออกนี่เองเรียกว่าอาณาปานาสติถ้าพุทธานุสติก็เราเลิกถึงพุทโธพุทโธพุทธาก็คือพระพุทธเจ้าหรือพุทโธ นุสติก็คือการมีสติอยู่กับพุโทโธนี่ก็คือวิธีจเจริญสติจะใช้ลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอานาปานาสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกจบแล้วใช่ไหมหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไห ม, มถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลา